คนอีสาน <c oughs> ไปทูกรุงเทพตรงไหนตรงไหนถามดูอีสานตรงตามบางคงเต็ไมไปหมดน <c oughs> <c oughs> ี่ก็อีสานเยอะครัอ่าอีสานมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไว้ติดถิ่นเราไปติดถิ่นทั้งๆ ท, ที่เราก็กอดเสาเรือนอยู่เฉยๆกอดที่นาแปลง น, น้อยนิดอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับขยาย เพื่อจะได้ไปรู้ไปประสบพบเห็นอะไรเท่าไรนะโลกนี้มันโลกกว้างแต่เราไปทําตัวอยู่แคบแคบบางทีก็ไปสะดวกสบายอยู่กับแคบแคบมันไม่ต่างอะไรกับกบในกระลาเขว่ากบในกะลากบในกะลาวนไปวนมากบในกระลาก็ยิ้มยิ้ม ย, ยั่งอยู่ในกลนะลานั่นแหะแต่ถ้าออกมาดูโลกกว้างโอ้ตื่นตาตื่นหูตื่นตาตื่นใจกรับชีวิตจิตใจอื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 มีงานมีการมียศมีศักดิ์มีเกียรติมีอะไรอะไรแต่ถามแล้วว่ามีทําไมมีเพื่ออะไรบางทีก็ตอบังไม่ได้เหมือนกันมีลาบมีเพื่ออะไรมียศมีเพื่ออะไรมีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมมีเพื่ออะไรบางทีก็ตอบไม่ได้อีกเหมือนกันไปนู้นไปนี้ไปสอบไปแสวงหาให้ได้งานดีดีให้ได้เงินมากๆได้มาทําไมได้เพื่ออะไรยังตอบไม่ได้นี่ลองถามให้ตอบมารู้ตอบถูกสักคนหรือเปล่าค่ะมารู้สวันนี้ หาไว้สามครหาไว้สร้างบารมีเอาให้ตอบสามคนให้ตว้เพื่อดํารงชีพค่ะหาไว้เพื่อดํารงชีพอีกคนไปแสวงหาลาบหายศหาเกียรติหาศักดิ์ศรีหาหน้าหาตาในสังคมหาตําแหน่งหาอํานาจหาอะไรตัวอะไรสารพัดสิ่งเหล่านั้นเราหามาเพื่ออะไรมาอะไรแล้วปัญหา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 อาจารย์เมตตาไม่ได้แปลแล้วก็คนหลายๆคนไม่ไม่รู้ทําไงอ่ะเนี่ยอยากได้ยินได้ฟังนู่นน่ะมาเรียนอ่ะคอยมาค่อยตั้งแต่เช้าน่ะเขาไปที่วัานเราแล้วน่ะก็ที่มูลท่านอาจารย์ไม่ด้โกงแปลที่ครับอานาียไม่ได้โกงจับใจความไรบ้างครับเมื่อกี้อสจับใจความที่เออ่บอกด้วยบอกด้วยว่าเราให้เราเราถามปัญหาคนก็ตอบว่าเพื่อสร้างบารมีคนคนหนึ่งตอบว่าเพื่อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพูดต่อถามขถามก่ดิถามถามแบบปัญหาอย่างเงี้ยที่ท่านแปล้เขาเข้าใจเขาเข้าใจยังไงบ้างท่งนอาจารย์ท่านอาจารย์ถามกันที่ที่พายุเพื่ออะไร ที่เราหาลาภหายุดหาเกียรติหาหลายอะไรครับคนนี้เขาต่อไปสองสามคำถยแล้วครับให้เขาท่อบาคว้ังแต่ฝรั่งฝรั่งอยากอยากาฟังความเห็นของฝรั่งบ้างโยมมาริยาตอบว่าเขาไม่แสวงหาไม่สนใจใช่เขาเลยตอบไม่ได้เขาพูดเด็ดนะเขาไปที่วัดเราเนี่ยเขาพูดเด็ดนะเนี่เนี่ยเราจาได้เนี่ยมาริยาเนี่ยเขาพูดธรรมะเด็ดนะฟูดต่อเลยนะนี่ท่นนี้จะพูดต่อแล้ว เมื่อกี้เราก็ให้ข้อคิดเริ่มแรกมาจากเราว่าเราไม่เปิดทงเปิดตามาจากพวกเราอยู่บ้านนอกบ้านนาไม่ค่อยจะไปนู้นไปนี้บางคนก็ติดบ้านติดช่องติดนู้นติดนี้น ๆ, ๆหน่อยๆเหมือนกบในกะลาพอยใจอยู่ในกระลาแต่เวลาออกมาจากกระลาเห็นโลกกว้างโอ้ตื่นหูตื่นตาตื่นใจอันนี้คือเราเราปราอภพื้นตั้งแต่ทีแรกแล้วเราก็มาปรารบว่า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 บาทีได้มาแล้วก็เสียไปอยู่ดีๆทําดีๆแล้วแล้วก็เสียหายไปพัดพลากไปแล้วก็เสียหายไปไม่แน่นอนว่าจะประสบความสําเร็จทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ในลกยึงลมลุกลุ ก, ล, กลานแบบ ท, ที่ที่เรามีเราเป็นเราประสบพบเห็นด้วยการ น, นี่แหละอันนี้คือการสแสวงหาแบบทางโลกแต่ถ้าเป็นการสแสวงหาทางธรรมพระเจ้าท่านอุบัติมาเพื่อเอาธรรมมาสอนพวกเราแท้แท ให้เรารู้กรอบของศีลของธรรมรู้แล้วเราจะทิ้งโลกได้หมดรู้แล้วเราสามารถทิ้งโลกได้ยาวเกินไปไหมยากเกินไปคิดไม่ได้ย้อนไปไก่ทนนี่เราพูดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาท่านอุบัติมาเพื่อมาสอนธรรมทีนี้วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเข้าถึงประโยชน์เข้าถึงความสุขนั้น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 จะทําให้เรารู้ว่าโลกมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลยจะทําให้เราถอนตัวออกมาถอนตัวมาจนสามารถจนสามารถพิจารณาให้รู้ให้เห็นไปตามธรรมะของท่านเกิดความเบื่อเกิดความนายเกิดความคลายความจางแล้วก็สามารถถอนตัวเองให้พ้นจกากทุกอจากโทษในโลกในวัฏสงสารไปได้เอาแค่นี้ก่อนด้วยเหตุที่การสแสวงหาทางโลกการได้มาและวก็เสียไปหรือก็สแสวงได้หรือไม่ได้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 พอวันที่พายุลงวันนั้นต้นไม้มันหักลงไปทับตายถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็จะไปโทษอุ้ยเร า, าทำบุญให้ทานขนาดนี้แล้วทำไมเราจะต้องมาประสบพบเห็นอยู่อย่างนี้มันจะทำหให้เราสมหวังไปทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้รเพราะมันเป็นเรื่องของโลกธรรมทีนี้วิธีการของผู้ศรเจ้านั้นท่านให้เราสะแสวงหาเนี่ย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 หยุดวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสโดยวิธีการมาภาวนาให้ใจสงบพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ลือคือเราเราพยายามพารนาแวดวงรอบข้างของการภาวนากว่าเราจะมาโผล่คาว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธจิตของคนเราเราต้องการให้เขาสงบไม่ได้เราจะต้องมีงานให้เขาทำ พราะฉะนั้นเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่เป็นงานที่เราให้กิตเขาทำฟังดูไปแล้วรู้สึกว่ายากระบากลือเกินทำไมต้องเอาอาวุธหนักซึ่งเป็นงานของพระมาสอนมาบอกพวกเราไม่จำกัดสําหรับใครทั้งนั้นศีลห้าผู้รักษาศีลห้าปฏิบัติโดยยิ่งทำให้ทาให้ธรรมะเจริญงองเงยได้ผู้รักษาศี่ปผู้รักษาสี่สิบผู้รักษาศี่สองยไม่จากัดว่า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 พุโทโธแล้วก็ประคองเอาสติสัมปชัญญะของเราหนึ่งประคองพุโทโธเราประคองอทำต่อเนื่องไป5นาทีขยับไปอีก10นาทีขยับไปอีกเครื่องชั่งโมงขยับไปอีกอขยับไปอีกทาเรื่อยๆทำจนนึกหายใจได้ทุกลมหายใจเข้าออกทำหลับทำได้อยู่อย่างนี้จิตของเราจะเริ่มสงบเริ่มเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานไล้ความสุข ความสุขแบบโรคๆที่เราเคยเคยแสวงเหอะเคยสอบเคยแสวงหาเคยอะไรต่ออะไรสําคัญอยู่ในระหว่างที่เรามีชีวิตในความเป็นอยู่เพราะร่างกายของเราจะต้องการยังต้องการอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งเครื่องนุ่งเครื่องหม่มอะไรต่ออะไรยังมีความจําเป็นยังจะต้องสาะแสวงหาอยู่แต่จิตมันขยับไปมีความสุขกว่าที่เราเป็นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุที่ไม่หยุด mm. หยุดไม่ต้องนึกไม่ต้องปรงุงไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเอ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 จิตมีความดีดีมีความคลั่งมีความวิเศษวิโสมีคุณสมบัติภายในจิตจิตมีคุณสมบัติจิตมีพลังเราพูดรวมๆว่าจิตมีพลังจิตที่สงบนั้นก็คือจิตที่มีพลังแต่จิตจะสงบไม่ได้ถ้าเราไม่ตั้งใจทํานเมื่อเราตั้งใจทําจิตดวงนี้ที่เขาสงบที่เขามีความสุขที่เขามีพลังอันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่เราเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นให้จิตกับจิตของเรา มันเป็นการพัฒนาจิตของเราถูกถูกต้องตามวิธีที่พุทธเจ้าท่านสอนเราสามารถทำได้เอาโอรู้สึกเพื่อนแปลละเอียดรอนะนะแล้คนที่คนที่อาศัยความอาศัยภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจนี่ฟังเข้าใจดีไหมอับดีเยนดีเยันดีโอภาษาเยอรมันนะไม่ไม่ไม่พูดภาษาอังกฤษกันเป็นภาษาเยอรมันกลากั ภาษาเยอรมันครับเยอรมันทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะโอเข้าใจไหมดีมากครับแล้วก็คือผมคิดว่าท่านที่ฉลาดมากคือว่าไอ้ที่เียเ่เก็บเเก็บรายเล็กรายไปไปแปลหมดโอเคาไติดกเราสรุปเพราะเราจะอยู่พูดธมาที่นี่อีกนาน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 ที่เหมือนไม่เหมือนประกบอยู่ในกลามันเป็นการรู้ดีในโลกว้างเพราะเพราะถ้าเกิดเรารู้ดีเข้าใจดีแล้วเราสามารถทิ้งโลกได้ทั้งหมดเหมือนกับเราสามารถทิ้งถิ่นฐานว่านช่องอันนี้อันนี้ทำไมทราบดีอ่ะทำไมเป็นคนบ้านนอกเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไปกอดอยู่กับซัพย์อนุนนิดอันนี้หน่อยกอดอยู่นั่นแหละจะไปทํางานที่นู่นจะไปอะไรที่นู่นที่นี่ก็ไม่กล้าไปมี่เขาเรียกกบในกลาอ่ามันเป็นมันเป็น ที่เรามาทั้งหมดนี้มันเป็นหลักการและก็วิธีการที่เราจะพูดมันมีอีกมากมายที่เราจะพูดนะ่ะเราเฉพาะอ ย, าย่างเรื่องการทําจะให้ได้รับความสงบเนี่ยมีอุปสรรคยังไงบ้างยังไงบ้างยังไงบ้างวิธีการทําวัดนั้นพ า, า, า, า, าทํางานครูบาอาจารย์สายนั่นพาทํอยางนั้นครูบาอาจารย์สายนี้พาทําอย่างนี้แม้แต่พระไตรปิฎกเดียวกัน ก, ก็มาสอนกับแต่แ ย, ยกไปคนละคนคนละค น, คนละเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันแตกต่างกันไปอย่างนั้นอืม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 มามาสร้างคุณงามความดีให้กับให้กับหัวใจของเราเนี่ยเนี่ยทีนี้เรา <c oughs> เราเกิดมาแล้ว <c oughs> เราเราพูดเด็ดขาดไปว่า <c oughs> เราหยุดเสาะแสวงหาแล้วเนี่ยเราไม่แสวงหาแล้วเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ผู้ที่ไม่แสวงหาผู้ที่ไม่แสวงหาแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงบาเพ็ญ หปีท่านบำเพ็ญนอกจากขอบเขตที่พระองค์แสวงหาด้วยตัวเองแสวงตามคนนั้นตามคนนั้นตามคนนันหปีไม่มีวิธีการใดที่จะทําให้พระองค์สมบังแม้แต่ไปศึกษากับอุทธ ก, กัฎดาบทอาราดาบทเรียนรู้ขั้นความสงบของจิตระระดับละเอียดลึกรูปปัจจานารูปปัจานรานรูปสมะบัติอรูปสมะบัติพระองค์ก็ยังไม่ไม่พอใจพระองค์ก็เลยมามาเสาะแสวงหาตามวิธีของพระองค์มาเสาะไปเสาะมาเสาะมาเสาะไปก็ปเข้าหลัก อริยสัพสเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทเเหตุให้พระองค์วันปลายสุดท้ายในปัจติมยามวันเพ็ญเดือนหกนะั่นแหละทำใหพระองค์ได้อาสวรขยายานมียานอ ย, าอย่างหนึ่งรู้ว่าอาสวรกิเลสที่อยู่ปนเปื้อนอยู่ในหัวใจในพระไทยของพระองค์เนี่ยจิตของพระองค์หลุดพ้นจากอาสวรกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วค้นหมดจดโดยชิ่นเชิงแล้วที่เรียกว่อาอสวรรขยานแล้วก็ทร ง, ทรง ทรงทรงเปล่งพระวจาจีว่าพอและวพอแล้วพอใจและพอใจแล้วดีแล้วประเสริฐแล้วเลิศแล้วสิ่งที่ดีเกินนี้ไม่มีอีกแล้วเลิศกว่า น, นี้ไม่มีประเสริฐกว่า น, นี้ไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เราควรจะสะแสวงหา ย, ยิ่งไปกว่า น, นี้ไม่มีแล้วเ<ม>นี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมในวันเพือนเดือนหกบรรลุอาสะวัคยายานนี่คือบุคคลที่ไม่ต้องแสวงหาอีกเราพูดถึงการแสวงหาไม่แสวงหา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 ่างที่เราพูดถึงเรื่องนิพานสัญญามันพายเรายึดนิพานก็ได้เราพูดถึงญาณสัญญาอยู่ในใจของเรามันพายเรายึดเรื่องญาณก็ได้เราพูดถึงวิมุตตหลุดพน้นสัญญาที่มีอยู่ในหัวใจมันเป็นเหตุเราพูดถึงวิมุตตหลุดพ้นได้ข้อสำคัญว่าถ้าหเราพ้นจากขอบเขตของสัญญาเป็นเรื่องของปัญญาไปแล้ว คือผู้บฏิสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วท่านหมดข้อข้องใจทุกสิ่งทุกอย่างไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่หมดหมดจดโดยสิ้นเชิงไม่จำเป็นจะต้องศบถ้าถ้าพูดถือว่าเรียนก็คือเรียนจบเต็มที่ท่านยื่เรียกว่าท่านจื่เรียกพระอราหันต์ว่าพระเสขะบุคคลพวกเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเน่ยแม้แต่พระโสดาสกิตาคาพระอนาคานี้ท่านก็ยังเรียกว่าพระเสขะ แปลว่าผู้ยังจะต้องศึกษาคําว่ายังต้องศึกษาคือต้องสาะแสวงหายังจะต้องศึกษาพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยเข้าสู่อรหาตมรักก้าไปอีกก้าหานึ่งอรหัตผลน่งเป็นอาศขับบุคคลไม่ต้องแสวงหาในใจมันจะบอกเองมันจะมีญาณทัศนะนบอกเต็มอิ่มพอหมดจดโดยที่หมดข้องใจในวัฏฏสงสารทั้งหลายทั้งปวงมันหมดแล้วอ่า น้ำในกระลาน้ำนอกกระล า, น, าน้ำในบึงในหนองน้ำในทะเลใ น, ในมหาสมุทรหมดข้อกังขาดใดใดทั้งสิน้นแต่ยาวนะลองดูแหรู้าึกวาเมอียดเอาลองดูเอามีคำถามไหมที่นียเล็กน้อย อ, อีกเล็กน้อยอีกเล็กน้อยเอาอย่างน้อยสี่คำถามผู้ชายสองคำถามผู้หญิงสองคำถามเอา แล้วก็อย่ตอบสั้นๆแ ล, และวันนี้เรามีโอกาสามาทาพิธ ส, สวดมนต์นั่งพังนั่งภาวนาใช่ไหมมีครับเวลาดงทุมครับผม่ทุ่มเอาเอ า, เ, อ า, เ, อ า, เ, อาเปิดโอกาสได้ไเอามาอยู่เยอรมันนานๆนี่ฟังออกหมดแ น, น่นะนิดหน่อยจ้ะนิดหน่อยบางคนก็พูดเก่งนเนี่ยคนพูดไทยได้ดีกว่าเราอีนั้นค่ะใั่ดีว่ แต่แปลทอจะเมติกัไม่ได้อะไอ้เก่งมากนี่ผู้ชายคำถามแรกอ่าอชันัชันความบิหารสีมันพึ่งอาศัยกับทานกับสินมันมันยุ่ด้วยกันยังไงครับ เพราะมริหารสมันก็อยู่กับใจดวงนี้ทานศีลก็อยู่กับใจดวงนี้ทานก็อยู่กับใจดวงนี้ศีลก็อยู่กับใจดวงนี้พราะมรรคิหารเมตตากรุณาเมิต า, าเบขาก็อยู่กับทานอยู่กับใจดวงนี้ถ้าเราไปตีความอย่างงั้นอย่างนั้นเรามัวแต่ไปแยกแยะเราเลยหลงประเด็นของเราให้เราเพ่งมาที่นี่ภาคปฏิบัติมาที่จิตนีเราจะไม่เหมือนอย่างเขาเขาถามว่าเอ พระพรหมเมตตากรุณาเมตตาเบขาสี่อย่างนี้เป็นธรรมะของพระพรหมพระพรหมสีหนะ้าเวลาพระพรหมนอนเนี่ยเอาเอา ห, าหน้าหนึ่งไปไว้ไหนเราจะตอบได้ยังไงเราก็ตอบได้ว่าจริยธรรมเหล่านี้เป็นเป็นจริยธรรมเพื่อการประพฤติปฏิบัติของใจเวลาใจมันทํางานแล้วมันจะประสานประสานกันไปหมดเพราะฉะนั้นมักมีองค์แปดเวลาท่านไปทํางานแล้วเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันเพราะผู้ทําคือใจดวงเดียว เอาแค่นี้ก่อนรู้ปู๊บหู่ว่าหาที่สองย่างหาทุกก็หาสุดแล้การเกิดมาหาทุกก็หาสุดอยากพ่นแต่มันก็ติดอยู่รู้เอ้สมเนะรัางามเราหาเลยคือเราหาลรสอบทาง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 ไม่มีโอกาสที่จะถึงแต่ถ้าเราค่อยๆเริ่มคลานเข้าไปเริ่มขยับเข้าไปทีไรมันก็ใกล้เเรื่อยๆใกล้่เรื่อยๆใกล้เเรื่อยๆขึ้นอยู่กับการตั้งใจทำของเราเน่เลยอาแล้วอีกสองผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งก็นั่นแหละก็เหมือนกับมาเห็นทางเนี่ยเลยไม่ได้ขยับไปทุกทีไปละร้อยเขาทำว่า สัญญามีสองอย่างอย่างที่ควรจะครองอย่างที่ควรจะปฏิบัติแั้อย่างที่ไม่ควรปฏิบัติเรามันต่างกันยังไงถ้าเป็นสัญญาโดยธรรมพุทธเจ้าท่านอาวมาให้อามาปฏิบัติถ้าเป็นสัญญาที่ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสท่านให้รู้ว่าเป็นสัญญาที่มันจะเป็นเครื่องมือให้กิเลสมาสวมรอย พืที่จะเอาสัญญามาเป็นเครื่องมือมันเนี่ยเลเรเรานํามันก็จะตกไปท่านเราจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสัญญาของกิเลตอันนี้คือสัญญาของธรรมสัญญาของธรรมนั้นพระุทธเจ้าท่านสอนให้เราอันนี้จะสัญญาสําคัญว่าเรานี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอนัตตสัญญาไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสัญญานี้เป็นสัญญาโดยธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระอนุเรียนสิบอย่างอสุภะสัญญา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 โลกกว้างมันมันกว้างจนไม่มีอะไรผูกพันจนปล่อยว่างทิ้งหมดเลิกหมด ค, คือตอบยาวไม่ได้ตอบสั้นๆแค่นี้พ อ, <c oughs> เ, อ, อเอา <c oughs> เวลาไม่พอเอาแค่นี้ก่อนใครยังคิดอะไรไม่ออกหรือใครยังมีข้างคางในหัวใจไปทำการบ้านมาเดี๋ยวตอนเย็นนี้มานั่งภาวนา <c oughs> นะ ตอนเย็นเรนนื่องแล้วมานั่งภาวนากันเสร็จแล้วเราก็พูดคุยธรรมะเพื่อที่จะมาเบิกว่าในโลกกว้างมอ ง, มองดูยาทาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชชตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยะทามิโชติระโสยะทามันเบติโอวิวัจจันโตสัมโรโกวนา สัตุมาเตมบาวันตาไรโยสุขิติกาโยคบวาปิวัตนาสิริสนิจังโถทาปัจจายโนจตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขัง อาลังหวตุสปะมังลังราคันตุสัปเทวตาสบุถานุบาเวนะสสุติพวันตุเตอวตุสัปะมังลังราคันตุสัปปเทวตาสธมานุบาเวนะสดาสุติพวันตุเต บาวตุสาบังมังกลังราคันตุสะปทิวตาสาบสังฆาลุภาเวนาสดาสุีิมบาวันตุเตมอะไรอะอะไุขะ